ขอจเจริญพรทุกคนทุกท่านด่า <c oughs> ดีแล้ววันนี้ได้มีโอกาสได้มาฉันพัตนงานที่อะไรละ่ะ TOT เนาะ TOT นะพวกมีญาติโยมมาเยอะแยะนะทานแล้วจะคของแบบเต้นผู้ได้บุญ ผู้ให้เป็นผู้ได้ผู้ให้เป็นผู้รับส่วนผ้าก็เป็นเนื้อนาบุญของโลกเนือนาบุญของเรานะบุญนามันมีหลายนานะมัน <Okay. S 1> ยังระบาดอยู่แล้ไปนาเลิศ <c oughs> นาดี <Okay. S 1> นาดดน นาเลือดก็คือพระอริยบุคคลขั้นสูงพระอรหันนั่นแหละันนาเลือดนาเหมือนกับชาวไร่ชาวนาเขานั่นละเลือดเสมือนนานาดีก่อนเป็นพระผู้กำลังปฏิบัติอยู่นาดดนก็นาสูงฝนตกน้มก็ไหลนี้ไม่ค่อยได ขนนานาดอนรู้อย่างนาดอนไหมล่ะไทยกรุงเทพไม่รู้อย่างนาดอนหรอก <c oughs> นาเขินนาดอนน้า น, นพระก็เหมือนกันนี่ละ่ะพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วก็คือพระอรหันต์นี่นละ่ะพระกำลังปฏิบัติ ด, ดูเพื่อออกจากทุกข ก็เรียกว่านาดีนาดอนกับพระบวชสืบท อ, อดศาสนามายังทำไม่ถูกทำถูกวินยัยเท่าไรยังซื้อเลกเล่นหวยดูหนังฟังเพลงอยู่กินข้าวแรงแกงร้อนอยู่ อ, อันนั้นเขาเรียกว่านาดอนนะ ให้เข้าใจ <c oughs> ผู้จิตทํานาก็เลือกนานาที่เราจะทำก็เลือกเอานาเลือดนาดีนาดอนก็เลือกเอานะอืม <c oughs> มานี่ก็ดีใจโยห์เห็นญาติโยมมาเยอะเช้านี้ก็เอาอะไรละ่ะเอาทําอะไรละ่ะกายดีวดัยจะดีใจดีแล้ว อเพราะพระธรรมคำสอนขั้นต้นก็คือกายพื้นฐานของการปฏิบัติก็คือกายว่าใาใจนี่แหละบำเพ็ญภาวนาก็เอากายว่าจาใจนี่แลมาบำเพ็ญมาปฏิบัติอพระธรรมคำสอนของพระเจ้าก็มีสามอย่างกายวาใจาใจผู้ใดนําออกพระครับทำคำํำสอนไปปฏิบัติ ตามพวกนั่นก็เรียกว่าสงสาวกของพระพุทธเจ้าโมได้ปฏิบัติดีแล้วเท่านั้นกายดีวาจใดีใจดีกายศาสตร์วายใจศาสตร์ใจสาสตร์กายประเสริฐวายใจประเสริฐใจประเสริฐผู้ประเสริฐก็เรียกว่าอริยบุคคลไม่ได้มาบวชดอกเหมือนพวกเรานี่แหละ ยกกายข้ามโคตรปุตตุชนยกวาจาข้ามโคตรปุตตุชนยกจิตข้ามโคตรปุตตุชนก็ได้เป็นอริยชนอริยบุคคลบุคคลผู้ประเสริฐไม่ไปเกิดในอบายภูมิทั้งสีอ่อีกหรือเรียกย่อๆว่าพระโสดาบันนั่นเองเคยได้เป็นไหมล่ะโสดาบันฮ ะ, ฮะ มีไหมล่ะพระโสดาบันอยู่นี่นี่แหละกายดีวายใดีใจดีเนี่ยสงสะวกของพ่เจ้าหมูไนปฏิบัติดีแล้วเนี่ยนี่พระธรรมพระวินัยคือกายวายใจใจนี่เองมันมีเท่านี้นะถ้ากันปฏิบัติเอากายดีก็ไม่เอากายไปฆ่าสัตว์ลักทรัพย์เาพืชผิดในก้ามตัวนี้ ว่าจะดีก็ไม่พูดปดพูดซอเซียดพูดอยากพูดเพื่อเจอเล้วไหลไหลสาระใจดีก็ไม่โลบอย่างใดของเขาไมา่หยิดช้าพยาบาทบุคคลอื่นสัตว์อื่ น, นเป็นผู้มีสัมมาทิฏฐิเห็นถูกต้องตามทํานองคองธรรมเห็นว่าบาปมีกิ่งบุญมีกิ่งไม่กล้าไปทําบาปในที่รับที่แก่ก็เรียกว่าสงสาวกของพเจ้าหมู่ใดปฏิบัติดีแล้วก็ได้เป็น พระอาริยบุคคลขั้นต้นเป็นพระโซดาบันประเภทที่นึงนี่เป็นผู้ปฏิบัติดีแล้วไม่ใช่ท่องเาอาเฉยๆก็ได้บรรลุเป็นพระโซดาบันทันง่ายนี่เองอตอนตอนไหนจะแสดงธรรมอ่ะอตอนเทียท่ยงเตี้เที่ยงใครอยากมาฟังก็มาฟังได้ ใครยังละมิจฉาทิฏฐิไม่ได้ก็มากมาฟังจะบอกวิธีละมิจฉาทิฏฐิคือความเห็นผิดมิจฉาแปลว่าผิดทิฏฐิแปลว่าเห็นละความเห็นผิดไม่ได้มาฟังเอาแล้วก็มาละให้มันได้ละได้แล้วก็ได้อืมเป็นพระโซดาบันเท่านั้น ละมิช้าทิฏฐิความเห็นผิดเห็นว่าขันห้าเป็นตนตนเป็นขันหา้าขันห้ามีในตนตนมีในขันห้านี่นี่แหละทิฏฐิสี่อย่างนี่นะอาการมาฟังเอาเทีนเงนี่ยจะให้พรทนะ่ะยะทาวริวะอะปุลาปริปุเรนติสากลาง เอวเมวอิโตดินังเปตานังอุปกะปติอิจิตังปจิตังตุมหังจิปเมวสมิชตูสเบปวเรนตูสังกะปาจันโดปะลโสยะธาไมนิโชติลาโสยะธาปิติโยมิวาสันโตสัพพะโลคเวนัสตู มาเพาตพย า, ยตต า, มมาวัตวรนตารยโยสุขที่ดีค่ายอยู่โกภวาอาภีวาธนาสิเรตญานีจางมุทาพปจายโนจตตาโลธัมมวาตันติอายุวันโนสุขังภาลังอน้อมจิตอุทิตกุศลไปให้ บุลพยาตของพวกเราผู้ล่วงรับไปแล้วเด้อานจะโคดากินนาดินาสังค์าำอาลตังหิตายาธาธาโซออปกกบปะเทโซยาติธัมโมจะอาันนิรัติโตเตตานาปูชาจักกตาอุลาลา วาลัญจพิโคนาโุปนินนาตูเมียปุญยะปัสตังอนาปัจันติรัตนัตยานุภาเวนรัตนัตยาเตทจาร โลกะโลกาพยาเวลาโซกะสัตูจุปัตวาอาเนกาอันตารายาปีวีนาสันตุอาเซสตอชายาสิทธิทธนังลาภาสัสทิปะกายังสุขังพลาง เสียริอายุจะวันโนจะโพคังมุติจะญาติสวาสาธวาชาจะอายุจะเขียวสิทธิพวันตุเตภาวัตุชาปมังคลางหลักขั้นตุลาปเดวตาสาบบาบุทธานุพาเวนาสดาโสติพวันตุเต ภาวตัวซาปะมังพาลาหลักขั้นตัวซาปเดวิตาซาบาธรรมานุภาเวนะสัตติภวันตุเตปาวตัวซาปะมังพาลาหลักขั้นตัวซาปเดวิตาซาบาสังฆานุภาเวนะชาดาโสติ อาวันโตเตสาธุตัดรัมกัดพัทหาที่พิจารณาแล้วให้ญาติจูอ้ า, เอาเวเชิญออกไปรับอาหารได้ครับเดี๋ยวที่ผ่านกนรลงตารับจากมือไปแล้วก็เป็นของก้นบาทไปแล้วของเหลือให้พวกเรารับเอาเป็นบุญเป็นกุศลหมดได้าสาธุ